จเจริญพรทุกท่านปีหนึ่งเร็วใครรู้สึกเร็ววัางปีหนึ่งแก่แล้วนะถ้า <Network> เด็กก็ปีหนึ่งนานหลวงพ่อไปเทศที่โน่นที่นี่ปีปีหนึ่งก็หลายสิบครั้งเวลา เ, ลาเลาทศก็มีประเมินผลเหมือนกันนะส่วนมากอย่างหน่วยงานราชการอะไรเนี้ยเขาก็ประเมินผลหลวงพ่อเวลา เ, ลาเลาทศก็ประเมินผลเหมือนกัน ที่ไหนนิมนต์ส่งเดชไปไงนะั้นไม่สนใจภาวนานะไม่เอาอีกอะ่ะบางที่คนเยอะเะเป็นพันแต่ว่าฟังเล่นๆเนะนี่ยเสียเวลาก็ไม่เอาที่นี่คนไม่มากนะเทียบกับบางแห่งที่นี่ระดับร้อยแต่คนภาวนาให้นะมีคนภาวนาแล้วก็ค่อยน่าแ ส, แสดงทําให้ฟัง ธรรมานะั้นฟังเล่นๆไม่ได้อะฟังเล่นๆจะได้อะไรขึ้นมาฟังเพลินๆ เ, เสียเวลาเปล่าๆฟังเราต้องลงมือปฏิบัติถ้าสอนเราก็ไม่ทานะเสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาคนสอนก็เสียเวลาธรรมะไม่ใช่ของเล่นนะธรรมะเป็นของดีของวิเศษซึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งนะจะได้ยินธรรมะแท้ๆสักกี่ครั้ง ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราเอาไปปฏิบัตินะในเวลาไม่นานนะชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนพวกเราที่หลวงพ่อสังเกต ด, ดูพวกเราในห้องนี้นะจำนวนมากม่ามีพัฒนาการดูได้ยังไงหน้าตาของคนภาวนาคนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันนะอย่างพวกเรา หัดภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมหน้าตาเราเปลี่ยนใครรู้สึกว่างยกมือซิรู้สึกเปลี่ยนยังไงแก่ขึ้นทุกปีเปลี่ยนทุกปีเลยแก่ขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหน้าตาของคนที่รู้เนื้อรู้ตัวมีสติมันไม่เหมือนหน้าตาของคนขาดสติคนขาดสติหน้ามันถึงจะแต่งไงนะมันก็ไม่สวยมันหยิย ง, งอเ ง, ง, องยับเยิน ส่วนคนที่ภาวนารู้เนะื้อรู้ตัวเป็นนะหน้าตามันสดใสหลายคนเลยมาสารภาพกับหลวงพ่อนะว่าชอบมากที่หลวงพ่อสอนนะเพราะว่าภอวนาแล้วสวยว่าเก่าสาวหวัวเก่านี่เรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นแค่ผลปลอยได้นะไม่ได้ภาวนาเอาความสาวอะไรนักหนาหรอกคือใจของคนในโลกนะมันเต็มไปได้วยความทุกข์เต็ไมไปด้วยความเครียด กรจิตใจมันเศร้าหมองมันก็ออกมาทางร่างกายร่างกายก็ไม่มีความสุขร่างกายเครียดอาหารไม่ย่อยนอนไม่หลับอะไรต่ออะไรนะดูโทรมถ้าเราภาวนาเป็นใจเรารู้ตื่นเบิกบานกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขภาวนานแล้วชีวิตมันมีความสุขเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านบอกให้สาวกเนี่ยออกไปประกาศธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ของคนจํานวนมากเงั้นถ้าเราภาวนานะาได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขประโยชน์ยังไงประโยชน์ก็คือเราสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้ไม่ใช่ชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดร์ไม่ใช่เหมือนที่ชาวโลกเขาเป็นเพราะชาวโลกเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเหมือนพวกเราเขาก็ต้องอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่อย่างชาวโลกก็อยู่กันตอนเด็กๆ เ, เขาเรียนหนังสือไปนักเรียนจบแล้วไปทํางาน บางคนไม่มีเงินจะเรียนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยลำบากนะทำงานแล้วก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกันนะเพื่อความอยู่รอดหวังจะได้เงินเดือนเยอะๆหวังตำแหน่งใหญ่ๆหวังจะต้องมีครอบครัวนะก็ต้องมีตามชาวบ้านเขามีก็ต้องมีเขาบ้างมีครอบครัวแล้วก็อยากมีลูกอีกเมืนะ่อกี้ก็อยากให้ลูกหน้าตาดีๆฉลาดฉลาดไม่ดูตัวเองเลย เป็นไปไม่ได้หรอกบางกฎ น, นะมันทำงาไม่เป็นไปไม่ได้อะนะเราก็เต็มไปด้วยความอยากอย่างที่ชาวโลกเขาอยากกันสุดท้ายเราก็เหมือนชาวโลกทั้งหลายแก่เหมือนเขาเจ็บเหมือนเขาตายเหมือนเขาพลัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเหมือนเขาเนี่ถ้าเรามีบุญวาสนาเราได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเดินตามรอยของคนที่จมลงไปในความทุกข์แบบนั้นนะ ความทุกข์มันควรจะสั้นลงสั้นลงนควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่รู้ชีวิตที่ตื่นที่เบิกบานหรือที่เราฝึกฝนเอามันได้ยินได้ฟังกลับมาแล้วก็ลองลงมือทําเอาจุดแรกเลยพวกเราต้องรักษาศีล5ไม่ต้องศี่8ปดออกศี่ห้าก็พอแล้วแค่ศี่ห้าก็ยากแล้วเห็นไหมสีล8มักจะ8เปื้อนจะทนไม่ไหวแค่ศี่5ข้อก็แย่แล้วล่ะเอาศีล5ข้อนะ จริงสำคัญจริงๆกสี 4, ข้อ 1, 2, 3, 4ข้อ5เป็นข้อช่วยให้มีสติถ้าขาดสติแล้วข้อ1นึ่งมันผิดง่า ย, นะยางั้นเราจริงๆเราก็แค่เราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนะไม่เอาของอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะไม่มีสิทธิ์ี่ไม่เอานะมีสิทธิก็เอาไม่ใช่ไม่เอาซนะื้อสัตว์ในคู่ของเรานะแล้วชีวิตมันสงบร่มเย็น พูดความจริงบางคนบอกว่าทํางานประกันชีวิตประกันอะไรเนะี่ยพูดจริงมากไม่ได้ไม่จริงนะเราพูดความจริงนะลูกค้านานไปเชื่อถือเราเราพูดอะไรเขาก็เชื่อนะแล้วก็หากินง่ายนะคนเราเป็นมีเครดิตก็ล่อนคลอกๆๆไปหากินได้แป๊บเดียวหลอกเขาไม่ได้นานนะี่ถ้าเรารักษาศีนนะชีวิตเราจะสบายมีความสุขมีความสงบ ในระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่แค่นั้นยังไม่พอนะต้องฝึกต่ออีกต้องมาฝึกจิตให้มันมีสมาธิในที่หลวงพ่อสอนพวกเราตั้งมากมายในเรื่องของสมาธิสมาธิมีสองอันสมาธิอันหนึ่งสงบจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปจิตก็มีความสุขจิตของเราเนี่ยมันพล้านไปเรื่อยนะวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตลอดเวลา มันไม่มีความสุขมันหิวตลอดเวลานี่ถ้าเรารู้จักทำกรรมฐานรู้จักเลือกคนไหนพุทโทแล้วมีความสุขเราก็พุทโทไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปคนไหนถนัดเดินจงกรมเดินไปแล้วมีความสุขนะก็เดินไปแต่อย่าถึงขนาดต้องล้ไท้ายกงท้ายเกกเลยเลยนะมันเยอะไปหน่อยตามทฤษฎีทาอะไรก็ได้อยู่ในอารมณ์เดียว จิตก็สงบได้แต่เท่าที่สังเกตนะพวกที่รำอะไรต่ออะไรนะไม่ค่อยสงบจริงมันไม่ค่อยสงบลึกพอมันจะผิวเผินแล้วมันจะไปเคลิ้มเคลิ้มคล้ายสะกดตัวเองไปนะรำไปรำไปมันสิจิตใต้สํานึกทํางานลงมาอ ก, กรรมฐานอย่างนั้ น, นเสียเวลาถ้าทําเพื่อเอ็กซ์ไซส์ให้แข็งแรงก็ได้แต่ถ้าหวังว่าจะทำแล้วจะว่าจะเจริญสติจเจริญปัญญาจะเข้าฌานไม่เป็นหรอก ไม่แค่สะกดตัวเองเคลิ้มๆไปเท่านั้นเงบางทีจิตได้สำนึกออกมาทำท่าพ่ลึกพ่ลึกอะไรออกมางันเรารู้จักเลือกกรรมฐานนะเลือกกรรมฐานกรรมฐานอะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยดีที่สุดอย่างเราหัดพุดโทโธพุโทโธนะพุโทโธเป็นกรรมฐานดูใจพุโทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบานสิ่งที่เรียกว่าพุโทโธก็คือจิตเรานั่นเอง ถเรามาพุโทโธพุธโทโธแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตของเราจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนึ่งหรือเรารู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมเรารู้ทันเราคอยรู้ไปเรื่อยนะใจมันจะค่อยๆเชื่องค่อยๆสงบเข้ามาอย่าไปฝืนมันอย่างใจเรากำลังฟุ้งซ่านเต็มที่นะนี่ไปพุโทโธพุธโทโธพุทโธหวังว่าจะสงบไม่สงบง่ายหรอกต้องทาใจสบายๆตอนนี้เครียดจัด เครียดจัดยังไม่ต้องมาภาวนาหรอกนะไปดูว่าทําอะไรแล้วผ่อนคลายแต่ต้องไม่ยั่วกิเลสนะด่าคนอื่นแล้วผ่อนคลายอย่างแมวนะมันมันยั่วกิเลสต่อไปอีกยังมีบางคนนะเขามาบอกหลวงพ่อเขาเครียดจัดเลยกรรมฐานอะไรก็ทําไม่ได้สักอย่างนะหลวงพ่อถามให้ชอบทําอะไรบอกชอบร้องเพลงเอาร้องเพลงไม่ผิดศีลไปร้องเพลงแต่อย่าไปให้คนอื่นเขาได้ยินนะบอกงนี้ สงสารคนอื่นนะเราฟังเสียงมันแล้วฟังเสียงมันแล้วโอ้ถ้ามันเปิดร้องให้คนอื่นได้ยินนี่มันเบียดเบีย น, นผู้อื่นแล้วนะเราร้องในข้อพานเรานะปิดห้องร้องไปเลยนะร้องให้มันสบายใจนะพอสบายใจนะใจเริ่มสงบนะพอมันเครียดจัดเนี่ยไปฝืนมันตอนเครียดจัดเนะี่ยไปฝืนมันไม่สงบหรอกหาอะไรที่ทําแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างไปด่าคนนะแล้วผ่อนคลายอย่างนี้ไม่เอา ไล่ตีหมาเลี้ยงหมาไว้ก็โมโหก็มาไล่ตีแล้วรู้สึกผ่อนคลายองไม่ทำนะทาแล้วกิเลสยิ่งพอกผูนอย่างเป็นฆราวาสอย่างจะร้องเพลงก็ไม่เป็นไรในห้องนี้ก็มีผลชอบสองพระเครื่องเลยเขาส่องพระเครื่องก็ไม่เป็นไรสองพระเครื่องไม่ผิดศีลห้าไม่ได้ขโมยพระใครดูพระแล้วมีความสุขเนีพอใจมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะมันจะสงบ ดูพระไปผัสใจสงบแล้วคราวนี้มาทํากรรมฐานที่มันประณีตขึ้นไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยทำได้ละคราวนี้หรือเดินจงกรมทําได้ละเดินก้าวไปรู้สึกตัวนะหยุดนิ่งรู้สึกตัวเวลาเดินจงกรมใช่ไหมเราเดินไปก็รู้สึกตัวไว้ ใ, ใจลอยไปแล้วนะก็หยุดเดินสักหน่อยก็ได้ใจมันหนีไปแล้วรู้สึกตัวให้สบายแล้วเดินต่อนะเดินไปสุดทางจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวก็ค่อยหมุนกลับมา พอหมุนมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินวงที่ให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่เพ่งนะรู้สึกสบายๆจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดา น, นั้นอ่ะดีที่สุดอยู่แล้วล่ะที่พระพเจ้าท่านบอกว่าจิตโดยธรรมชาติมันประพัดสอนประพัดสอนว่นมันผ่องใสสว่างสวัยสบา ย, บายจิตที่มันถูกกิเลสแทรกมันไม่สบาย เราใช้จิตธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้เนื้อรูร้ตัวไปเนี่ยกิเลสไม่แทรกไม่ต้องไปดัดแปลงจิตใจของเร า, เราใช้จิตธรรมดาธรรมดาเวลาเราต้องการความสงบเราก็ใช้ใจธรรมดาธรรมดานะอยู่ในอารมณ์อันเดียวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนี่หลวงพ่อจะสอนอนาปนาสติให้ก็ได้นะหลวงพ่อเล่นอนาปนาสติมาตั้งแต่7ขวบ รู้เลยว่าส่วนใหญ่ที่ทำอนาปนาสติใช้ไม่ได้หรอกมันจะเครียดพวกเราลองทดสอบนะลองรู้ลมหายใจอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจใิเอาให้ลืมโลกเลยให้เห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวจำความรู้สึกตรงนี้ไว้น ะ, ะลืมตาขึ้นมาขยับตัวหน่อยให้มันหลุดจากอารมณ์ตะกี้จำอารมณ์ตะกี้ได้ไหม ที่ตอนที่เราไปรู้ลมอ่ะตอนนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะเห็นตัวเนี้หายใจเห็นอีนางคนนี้กําลังหายใจนะหรืออีตาคนนี้กําลังหายใจรู้ไปสบายๆเห็นไอตัวเนี้หายใจรู้สึกไหมใจไม่เหมือนกันใจตัวนี้มันจะตื่นนะส่วนนีถ้ถ้าแพ่งตะกี้จะเพ่งเครียดจะซึมๆไปเลิกสะเถออกรรมฐานแบบนั้นนะ พุทธเจ้าเขไม่ได้บอกให้ไปดูลมหายใจนะพุทเจ้าสอนดุขรพิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงนำลมสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้ไปรู้ลมหายใจนะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวอะไรเป็นคนหายใจออกยาวก็ร่างกายหายใจออกยาวเห็นใด้ตัวนี้หายใจออกเห็นใด้ตัวนี้หายใจเข้าใครเป็นคนเห็นก็ใจเป็นคนเห็นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนเห็นเห็นตัวนี้มันหายใจออกหายใจเข้า เห็นตัวนี้ยืนเดินนั่งนอนไม่ได้ไปเพ่งนะส่วนใหญ่ที่ไปทํากรรมฐานไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ลมไปเดินโจงกรมก็เพ่งร่างกายบางคนก็เพ่งอยู่ที่เท้าะรู้หมดเลยนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยไปรู้มันทําไมพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอกรู้สึกไหมพื้นเป็นเราถ้ามีให้ไปหาจิตแพทย์นะขอนแนะนําอันตรายมากแล้วนะะ ไม่ต้องไปนสนใจที่พื้นหรอกสนใจอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยเห็นให้ตัวนี้มันเดินมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจมันจะรู้สึกอย่างนี้นั้นเรารู้สึกตัวสบายๆแน่ใจที่จะมีสมาธิที่ดีที่จริงแล้วสมาธิที่ดีมีหลายระดับระดับที่ทรงฌานเลยก็มนะีนี่พวกเราส่วนใหญ่ยุคนี้ทาญญาําฌานยาก วันๆเรมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเหลือเกินเพื่อนเราก็จะใช้สมาธิที่เบสิกที่สุดเลยชื่อว่าคณิกะสมาธิสมาธิช่วขณะ น, นี้แหละในสมัยพุทธกาลนะพระอราหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินะไม่ใช่ทรงชานนะพระุทธเจ้าท่านเคยแสดงสถิติไว้ท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอราหันต์ห0า ร, 500รูปเนี่ยมีพระอราหันต์ที่ได้วิชา3าม อาปญญา6กหกสิบได้อรูประชานอีก60รวมแล้วรนะ้อยแปดสิบพวกที่ทรงชานนะส่วนใหญ่ที่เหลือนี่จะเป็นอย่างพวกเรานี้แหละ340ใช่ไหมจากหักไปแล้วหกหกหกแปดสา66้อยยี่สิเนี่ยคนอย่างพวกเรานี่เองนะไม่ได้เข้าชานเข้าไม่เป็นหรอกหน้าตาพวกเราแต่ละคนเข้าชานยากล้วนแต่นักคิดพวกคิดมากเข้าชานไม่ลงหรอกนะ ใจมันจะคิดตลอดเวลางั้นเราใช้สมาธิที่ธรรมดานี่เองอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธิะงั้นพวกเราก็มีโอกาสนะขนาดสมัยพุทธกาลนะพวกฤาษีชีพรเยอะนะมาบวชมาปฏิบัตินะีจะมีคนที่ทําฌานเน้นมาทางฌานเนี่ยเป็นส่วนน้อยมาถึงยุคเราเนี่คนที่ทําฌานได้เนี่ยไม่ใช่ เท่าไรหกสิไม่ใช่1้อยปดสิบจากห้าร้อยไม่ใช่ส6สิหอร์เซต์ตำกว่านั้นอีกในห้องนี้ใครทำฌานได้ยกมือซิมีไหมพวกเราร้อยกว่าคนร่วมร่วมสองร้อยมีคนหนึ่งเหรอเดี๋ยวลองเข้าให้ดูได้ไหมั้อนเตนเต้นเหรอันมีเคล็ดลับนจะเข้านะเดี๋ยวค่อยสอนกันทีหลังนะเพราะส่วนใหญ่เราเป็นคนธรรมดา จิตธรรมดานี่แหละดีจิตที่ไม่ธรรมดาเป็นไงจิตที่ไม่ธรรมดาคือจิตที่มันฟุง้งซ่านไปมันลืมตัวเองเวลามันลืมตัวเองนะเดี๋ยวกิเลสก็ามาละเวลาโกรธสังเกตไหมตอนโกรธต้องเผลอถ้าไม่เผลอไม่โกรธหรอกโกรธที่เผลอนะกิเลสอนะเล่นที่เผลอเวลารักก็รักที่เผลอนะถ้ามีสติอยู่ไม่มีโลภไม่มีโกรธหรอกนะเพราะมันไม่หลง จะรอบได้จะโกรธได้ต้องหลงก่อนนะเพราะถ้ามาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่หลงสัอย่างเดียวนะราคาโทรศัพไม่ไม่น่ากลัวอะไรนะอย่าไปหลงมันเท่านั้นเองให้รู้สึกรู้สึกเอานะใจที่ธรรมดานี่แหละดีเราจะเรียนธรรมะธรรมะของธรรมดานะเอาใจที่ผิดธรรมดาไปเรียนของธรรมดาก็ เ, าเรียนยากหน่อยนะเอาใจธรรมดาไปเรียนของธรรมดานี่แหละอะไรบ้างที่เป็นธรรมดา ในร่างกายเรานี่มันอะไรบ้างธรรมดาใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันธรรมดาที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันธรรมดาที่มันทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวนี่ก็เรื่องธรรมดาใ น, ในจิตใจก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันล้วนแต่ของชั่วคราวล่อนแต่ของที่ทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ล้วนแต่เป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำ น, นาจ เนีเราต้องการให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรมิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นนะคือการเห็นนะเห็นอะไรเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจนี้เองเราก็ใช้ใจธรรมดานี่แหละไปเห็นถ้าใจของเราผิดธรรมดาเราก็ไม่มีของจริงให้ดูมีของแต่ผิดธรรมดาอย่างคนส่วนใหญ่เวลาลงมือปฏิบัติจะเพ่งและใจจะแข็งแข็งทื่อๆ ใจแข็งทื่อเราจะไปดูอะไรอ่ะนะจิตใจก็ผิดธรรมดาไปแล้วนะไม่มีของธรรมดาให้ดูนิ่งซึมๆไปนะหรือสว่างสวยอยู่อยงเงี้ยอยู่ไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อะไรขึ้นมานะงั้นเราใช้ใจธรรมดาธรรมดานะใช้ความรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่รู้ไปแต่ว่าอย่าลืมนะหนพ่อบอกต้องตือศีลห้าก่อน ถือศีลห้า น, นะแล้วก็ฝึ ก, กจิตใจให้มันอยู่กับตัวเองอย่าให้ใจมันล่องลอยไปถ้าใจที่ล่องลอยไปเนี่ยเป็นใจที่ไม่ธรรมดาเพราะถูกกิเลสลากเข้าไปถูกความฟุ้งซ่านลากไปแล้วนะจิตที่ถูกกิเลสลากไปแล้วกว่าจิตผิธรรมดานะที่พุทธเจ้าท่านบอกจิตโดยธรรมชาติของมันนะพระพัดสอนมันโปร่งใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดมาเป็นคราวๆกิเลสที่มาบ่อยก็คือฟุ้งซ่านนะั่นแหละใจไหลไปหนีไป ใจเราก็เลยไม่ประพัสอนแล้วไม่สว่างไม่แจม่มใสมืดมัวไปหมดแล้วเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติล่ะนะเพราะฉะั้นเราต้องมีใจที่รู้ใจที่ตื่นใจที่เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวไม่ถูกกิเลสลากไปนี่ทำไงใจจะไม่ถูกกิเลสลากไปเขาใจมันถูกลากมาแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่เกิดมานะกิเลสเขาากใจเราหนีไปทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้ง ถ้าหัดภาวนาแนละ้วจะเห็นนะใจเราไหลตลอดเวลาดูออกมั้งไหมพวกเราเรียนเก่นหลายปีแล้วใจไห i, ลแชร์แบตลอดเลยนะถูกลากไปเรื่อยๆทําไงจะไม่ลากห้ามไม่ได้หรอกมันเคยชินมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะว่าจิตเนี้ยเป็นไปตามความเคยชินธรรมาชาติของจิตเนี่ยย่อมไหลไปตามความเคยชินจิตเนี่ยเคยไหลเคยห ล, ยยลงมันต้องหลงห้ามมันไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือรู้ไวไ ห, นหน่อยอย่าให้มันหลงยาว วิธีที่จะทาให้รู้ได้ไวนะก็คือต้องตั้งใจทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนเรียว่ามีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตงั้นะเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะสอนให้มีวิหารธรรมนี่กายเยกายานุปัสสีวิหารติเนี่ยมีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมมีจิตในจิตเป็นวิหารธรรมมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของจิต เราน้อมใจอยู่ในเครื่องอยู่อันนี้แต่ว่าไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ตลอดเนะช่นเรารู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นบ้านเวลาอยู่บ้านเนี่ยมีธุระแล้วออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่บ้านตลอดเวลาไอ้นั้นเรียกว่าคุกไม่ใช่บ้านะวิหารธรรมไม่ใช่คุกวิหารธรรมเป็นบ้านงั้นเราต้องทงอํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้อิิยาบท4ี่ก็ได้นะ จะรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็ได้หรือในกายก็ได้นะอย่างถ้าพวกเราเป็นพวกคิดมากเนี่ยมันจะเกิดที่ใจบ่อยสุขทุกข์หมุนอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะหรือจะดูความดีความชั่วที่เกิดในใจก็ได้เป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะคนไหนขี้โมโหเราก็ใช้โทสะของเรานี่แหละเป็นวิหารธรรมเราก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธคนไหนขี้โลภก็ใช้ความโลภเป็นวิหารธรรม เดี๋ยวจิตก็รอบเดี๋ยวจิตก็ไม่โลบก็ดูอย่างนี้ถ้าคนไหนถนัดดูกายเห็นร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยหายใจไปแล้วถ้าใจมันหนีออกจากบ้านรู้ไวๆถ้าใจหนีออกไปจากบ้านแล้วไม่รู้เนื้อลเมอร์เนื้อออกไหมละเมอเดินออ ก, กจากบ้านไปพวกเราเนี่ยโคตรๆละเมอเลยวันวันหนึ่งนะมันหนีไปตลอดเลยมันลเมอมันฝัน ละเมอเนี้ยต้องหลับใช่ไหมคนละเมอต้องหลับไหมมันหลับจิตมันหลับจิตมันหลับนะแล้วมันก็ละเมอหลไหลๆหลออกแปหนีออกจากบ้านไปงั้นต่ อ, ตอไปนี้นะมอย่าให้ละเมอไปนานนะคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือรู้อิริยาบถก็ยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวหรือทําสัมชัญญาบาัพทานะ <im it> นะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึก เนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดหยุดแล้วไม่ได้เคลื่อนแล้วก็รู้สึกนะเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกแบบเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เป็นคุกไม่ใช่ว่าห้ามจิตหนีไปการรู้แบบเป็นวิหารธรรมเนี่ยก็คือเรารู้อารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแบ็กกราวนะ์เป็นแค่แบ็กกราวน์เท่านั้นเองตัวสําคัญคือจิตของเราเองเราคอยรู้ทันจิตไว้เช่นพุโทโธพุโทโธนะหรือเราหายใจแบบเงี้ยแล้วจิตหนีไปเราค่อยรู้อย่างเนี้ยถึงจะใช้ได้ ระหว่างบ้านกับเจ้าของบ้านใครสำคัญกว่ากันเจ้าของบ้านใช่ัหยเมื่อไม่ใช่เราไปเฝ้าบ้านไอ้เจ้าของมันหนีไปไหนเราก็ไม่รู้นะเฝ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกแล้วเผลอไปแล้วไม่รู้สึกแล้วนะก็ยังจ้องอยู่อย่างนั้นนะใจหนีไปที่ไหนเราก็ไม่รู้อย่างเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยนะเราคอยรู้ทันนะครยรู้ทันทาใจสบายไม่บังคับมันหายใจไปใจจะหนีไปคิดก็ไม่ว่ามันนะ แกนี้ไปคิดแล้วอ๋อแกหนีไปละไม่ว่าแกเข้ามาหายใจต่อหายใจอีกหนีไปอีกก็รู้อีกบางคนนะถนัดเพ่งมันไม่ค่อยหนีพอมารู้ลมหายใจนะจิตมันจะจ้องเข้าไปที่ลมไปจับลมเหมือนที่หลวงพ่อพาให้ดูตะกี้นึกออกไหมเวลาที่จิตไปจ้องใส่ลมนะจิตมันจะซึมซมทื่อทื่เนี่ยดูออกไหมโ้โหลวงพ่อเนี่ยเวลาสอนเนี่ยนะต้องนอกจากคําพูดเนี่ยต้อง ใช้ทุกวิธีทางภาษาท่าทางอะไรน่ต้องใช้หมดเลยมันก็ต้องยากหน่อยสอนกวายคือต้นไม้จำได้ไหมอุตส่าห์รรทำหน้าให้ดูใช่ไหมเนี่ยจ้องพอออกแผกสมาธิแล้วก็เป็นเงี้ยเนี่ยอยู่เงี้ยนะอยู่เหมือนคนพิการนะ อยเป็นคนพิการนะซึมไม่ได้เรื่องนะอย่าทำเพราะเราแค่รู้สึกนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้ถ้าเพ่งก็มันจะซึมอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละส่วนถ้าหนีไปก็จะดาดีาด่าไปนะเห็นคนตอนโทรศัพท์ไหมตอนเดินโทรศัพท์นะนะเหมือนคนบ้า <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้ตัวคุยอะไรหู oo, มันใหญ่สนุกใหญ่บางคนก็คุยแล้วโมโหหน้าดำข้าเครียดไม่ไม่รู้ตัว เนี่ยเรามีวิหารธรรมนะเราหายใจเรารู้อิริยาบถเลยแล้วคอยรู้ทันจิตไว้จิตมันหนีไปเรารู้จิตมันไปเพ่งอยู่เรารู้ที่ผิดมันมีสองอองานหนึ่งเผลอไปกับเพ่งไว้ะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเทศมีใครมาส่งกันบ้านนะมาเห็นแล้วว่าเดี๋ยวไปเผลอไปกับเพ่งบอกมีสองงานหนึ่งที่เห็นทั้งวั น, นเออเห็นถูกแล้วฟังหลวงพ่อมาสิบปีเออเห็นแล้วเห็นแล้วใช้ได้ดีกว่าไม่เห็น ถือว่าใช้ได้มีพัฒนา ก, การแนละ้วจริงๆเวลาเราลงมือปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็เพง่งห้ามได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเคยชินเคยชินที่จะเผลอส่วนนักปฏิบัติเคยชินที่จะเพง่งมันจะเคยชินยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ห้ามมันนะแต่ว่าเผลอแล้ว เ, เ, เรารู้ไวๆเพ่งอยู่เรารู้ไวๆเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตนะอย่างเราหายใจไปเนะี่ยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้คอยรู้ทันจิตไว้ เราจะได้สมาธิที่ดีสมาธิที่ใจมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองนะมีความสุขด้วยมีความสงบด้วยมีความตั้งมั่นด้วยนะทุกวันต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกนะใจก็จะไหลไปตามความเคยชินคือความฟุ้งซ่านทั้งหลายวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราฝึกฟุ้งซ่านกี่ชั่วโมงโอ้โห้อโอ้โหไปตามกันเลยใช่หมโอ้โหเยนะเยอะมากนะเยอะมาก ฝึกรู้สึกตัวเนี่ยวันหนึ่งน้อยนิดเดียวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราต้องรู้สึกตัวได้12ชั่วโมงนะถึงจะสูก้กับหลงสิชั่วโมงไม่ใช่นะมันไม่กระจอกอย่างนั้นหรอกธรรมะรู้ตัวแวบหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้คะแนนเยอะเลยไอ้เผลอๆ เ, เนี่ยได้หักแต้มไปเรื่อยยงเป็นกรวดแรงๆก็หักมากหน่อยโรบแรงๆก็หักมากหน่อยไอ้เผลอเล็กๆนี่ก็หักไปทีละแต้มทีละแต้มแต่เวลารู้สึกตัวเนี่ยได้ทิ้งหลายสิคะแนน เพราะนไม่ใช่ว่าเผลอ50ครั้งแล้วต้องได้คะแนนต้องรู้สึกตัวได้เท่าๆกันจํานวนชั่วโมงเท่ากันแล้วถือยาบรรลุมรรคผลถ้างนั้นไม่มีวันบนรรลุหรอกนะเพราะใจเราเผลอมากกว่ารู้สึกตัวดูออกไหมที่หัดภาวนามาเห็นไหมวันๆหนึ่งกิเลสเยอะกว่ากุศล น, นะแต่กุศลมันมีกําลังมากกว่ากิเลสเหมือนกิเลสนะเหมือนเอาหนังสติกมายิงหัวใครสักคนนะส่วนกุศลมันพลังเหมือน M79 เออมันเหนือกว่ากันนะงั้นเราพยายามเนี่ยใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้นะฝึกไปได้วยพอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วก็มาถึงขั้นเตือนปัญญาอย่ารู้ตัวอยู่เฉยเฉนะรู้ตัวอยู่เฉยเฉไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ได้แค่ความสุขศา ส, สนาพูดไม่ได้กระจกขนาด น, นั้นไม่ได้สอนให้ออกความสุขตื้นต้นแบบนั้นความสุขของความรู้เนื้อรู้ตัวนั้นคือความสุขของสมาธิเท่านั้นเอง มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นมัคือการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาจริงนะสำเร็จแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นแล้วไม่ยึดในรูปนามนะก็จะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขที่อาศจ ร, รย์ที่สุดเลยความสุขของมรรคนิพพานเนี่ยอาศจ ร, รินะอย่างพวกเราคนไหนเคยเห็นจิตปล่อยอารมณ์บ้างจิตวางอารมณ์ที่จิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วปล่อยออกมาใครเคยเห็นยกมือสิมีไหมรู้สึกไหมอาศจ ร, รย์ รู้สึกไหมมีความสุขตั้งเยอะไนงะนี่จิ๊ดเดียวนะเทียบกับมรรคผลอะ่ะนะเทียบกับตอนบรรลุมรรคผลอะอันนี้เล็กน้อยเล็กน้อยมากเลยขนาดนิดหน่อยนี้นะจะมีความสุขมหาศาลเลยนะเทียบกับคนในโลกนะคนในโลกโอ้หน้าดําคลําเครียดหาความสุขไม่ได้เลยส่วนเราแค่ใจมันตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก็มีความสุขตั้งเยอะและ้วนกะ็มีความสุขลราอย่าอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ยังไม่พอ หลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์เคยเตือนนะหลวงปูค่คําพันธ์ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะไม่เหมือนสไตล์หลวงพ่อนะหลวงพ่อสไตล์แบบแบบอาจารย์สมัยใหม่เลคเชอร์ให้ฟังครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่หรอกใช้วิธีทําให้ดูต้องไปดูเอาเองต้องไปอยู่ใกล้ท่านนานๆ น, นะค่อยๆดูไปว่าท่านทําอะไรท่านภาวนาอย่างไงนานๆจะสอนทีหนึ่งไม่ค่อยบอก วันนึงไปอยู่ที่หลวงปู่คำพันธนะ์จิตมันไปติดอารมณ์มันนึงอยู่หลวงปู่ก็แทนที่จะบอกว่าเนี่ยจิตติดอารมณ์หลวงปู่ไม่บอกหรอกหลวงปู่ก็เปรียบเปรยเนี่ยชอบเปรียบเปรยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนน ะ, ะคนเรานะอยู่ในที่แห้งแล้งกันดานอยากจะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขพอไปเจอต้นไม้ใหญ่ใบหนาร่มเย็นอยู่นะมีอยู่ต้นเดียวนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ไม่ยอมไปไหนต่อละ แล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึง้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขได้นะดล่ะท่านปลดท่านเผลอๆอย่างนี้นะเป็นการสอนเราอย่าไปติดอยู่ตรงนี้นะติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเหมือนติดอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะเหมือนกับเราอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นเองต้องอดทนนะเดินกลางแดดต่อไปอีกนะเวลาที่เดินปัญญาเนี่ยเหมือนไม่มีความสุขหรอกเพราเดินปัญญามันจะเห็นทุกข์ กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์พวกเราเมื่อกี้ก็มีนะส่งกันบ้านหลวงพ่อว่ามันเห็นทุกข์นะแต่เดิมหัดที่แรกมีแต่วความสุขทําไมมีความสุขเพราะจิตนั้นมันมีแต่วความฟุ้งซ่านพอมันสงบมันตั้งมั่นมันรู้เน้อรู้รตัวมันได้สมาธิที่ดีมันมีความสุขแล้วพอหลวงพ่อพาเดินวิปัสสนาต่อนะมาดูกายดูใจทํางานด้วยจิตที่ตั้งมั่นแบ่งบางดูไปดูไปนะมันทุกข์นะมีแต่ทุกข์นะบางคนเนี่ยเห็น ในจิตนัมันหมุนอยู au, ่กลางหน้าอกนีหมุนจีอยู่เนี่ยหมุนทั้งวันทั้งคืนนะเวลากิเลสแรงๆก็หมุนเร็วเวลากิเลสเบาๆก็หมุนช้าๆเห็นใจมันหมุนติ้วติวติ้อยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ดูไปดูไปมันถูกทั้งนั้นเลยหรือบางคนนะเห็นตามองเห็นนะก็เห็นความบีบคั้นที่จิตหูได้ยินเสียงนะก็เห็นความบีบคั้นที่จิตจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกก <Okay. rare> ็เห็นความบีบคั้นที่จิต พวกเราใครเห็นตรงนี้บ้างนะนะเน่ยหมอก็เห็นแนละใช่ไหมตากระทบมันมีความบีบคั้นเกิดขึ้นมันจะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆนะบางคนจะเห็นวัดตามันหมุนเตี้ยวๆๆทั้งวันทั้งคืนน่าเบื่อนะทําไงจะพ้นจากมันได้บางคนก็เห็นนะมันมันบีบคั้นนะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่มีความสุขนะใจจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์และความทุกข์นะี่มันก็ครอบงําจิต ตรงนี้ถ้าเราพานาเรามาเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นความทุกข์มันมาครอบงําจิตอย่าปล่อยให้มันครอบให้รู้ทันลงไปให้รู้ทันเข้าไปว่านี่ความทุกข์กำลังครอบงาจิตอยู่หรือความเบื่อกําลังครอบงาจิตบางคนดูไปแล้วเบื่อเบื่อเบื่อนะเบื่อจากการเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนเ บ, บื่อทางโลกเบื่อทางโลกเนี่ยมันเบื่ออย่างหนึ่งแล้วมันจะอยากได้ อ, กอีกอย่างหนึ่งนะเช่นเบื่อภรรยาเราอยากได้ภรรยาใหม่ จะเป็นอย่างนี้นะเบื่ออันหนึ่งก็จะไปเอาอีกอีกอันหนึ่งหรืออยากเอาอีกหลายๆอันนะเบื่อหนึ่งอยากได้อีกสามอย่างนี้นะจะเบื่ออย่างโลกไปอย่างนั้นดูดูหนังเรื่องนี้ฟังเพลงเพลงนี้หลายทีแล้วเบือ่ออยากไปฟังเพลงอื่นละเนี่ยนี่เบื่ออย่างโลกโลกแต่เบื่อจากการเจริญปัญญานะเราเห็นกายเห็นใจทํางานด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสมาธิแล้วเนี่ยมันเบื่อไปอีกแบบนึงมันจะเห็นว่าทุกอย่างน่าเบื่อหมดเลยความสุขก็น่าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยง ความทุกข์ก็น่าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมีแม้ความทุกข์ที่เที่ยงออแล้วน่าเบื่อมากกว่าความสุขอีกเพราะว่ามันบีบคั้นมากมีแต่น่าเบื่อนะความทุกข์นี่ก็เบื่อเยอะหน่อยความสุขก็รู้สึกพึ่งพาไม่ได้ใครเภาวนามาเห็นตรงนี้แล้วบ้างว่าความสุขเนั้นพึ่งพาไม่ได้หรอใช่ไหมอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายพลิกแล้วเราก็เหนื่อยแทบตายเลยนะดิ้นหาความสุขมา แม้บางคนทําอะไรตั้งหลายอย่างไปจีบสาวสักคนหนึ่งนะสาวสมัยนี้จีบง่ายสมัยหลวงพ่อจีบยากนะ mm hmm. เขารักนวลสงวนตัวจีบยากนะโอกว่าจะจีบได้เนี่ยเหนื่อยนานปรากฏว่าอยู่ได้ชั่วคราวเบื่ออีกลนะต้องเหนื่อยต้องไปหาคนใหม่จีบอีกเนะนี่ยชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากเนะนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเห็นโอ้มันน่าเบือ่อนะความสุข ที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยอยู่ได้แป๊บเดียวความสุขที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากอยู่ได้แป๊บเดียวพวกเราคนไหนเล่นแชร์บ้างเล่นแชร์รู้สึกไหมมีความสุขอยู่วันเดียววัน <laughs> ที่เปียดได้ใช่ไหมนี่ถ้าเปียดได้เร็วเนี่ยความทุกข์ท่วมทนเลยน <laughs> ะเนี่ยลำบากแทบตายนะเพื่อจะมีความสุขแป บ, บเดียวนะก็ะมีความสุขแปดเดียวเดียวเนี่ยในโลกมันเป็นอย่างนี้ เนี่ยพอปัญญามันแก่กล้านะโอ้ความสุขอย่างนี้ไร้สาระนะแรกมาด้วยความทุกข์จานวนมากนะความสุขที่เรามีเรามีนะที่คนในโลกสแสวงหาเนี่ยมันไร้สาระนะเพราะมันแลกมาด้วยความทุกข์มีความทุกข์ตั้งมากนะเพื่อจะได้ความสุขมาแวบหนึ่งเนะี่ยใจมันจะเข้าไปสู่ความเบื่อนะมันเห็นเลยความสุขก็หาสาระไม่ไดนะ้ความทุกขนะ์น่ะมันก็เบื่ออยู่แล้วละนะขนาดสุขยังเบื่อเลย เวลาทุกข์ขึ้นมานะจะหนีไปหาความสุขมันก็ไม่หนีเื่อเห็นแต่มีทุกข์คราวนี้เหลือแต่ทุกข์สชนิดทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่เดิมตรงที่มีทุกข์น่ะมันคือทุกข์มากไอ้ตรงที่เคยเห็นว่าสุขนะมันคือทุกข์น้อยอู้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะภาวนาไปเห็นแต่ทุกข์นะถ้าภาวนาอย่างนี้ใจจะวางแลใจจะปล่อยใจที่ปล่อยไม่ได้เพราะใจยังมีทางเลือกไปหาความสุขที่อื่น ถ้าใจไปเห็นว่าหาไม่ได้หรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าใจอย่างนี้ใจถึงจะวางนะงั้นพวกเราถ้าพอจเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งไม่ต้องตกใจนะเราจะเห็นทุกข์ต้องยอมต้องยอมที่จะทูกนะเหมือนผู้หญิงอะ่ะต้องยอมเจ็บนะตอนคลอดลูกใช่ไมเราได้ลูกออกมาแล้วลูกมันน่ารักไหมมันปลื้มใช่ไหม เหมือนกันนะเวลาภาวนานเนี่ยยิ่งแบบคลอดลูกอีกเพราะว่าผู้ชายก็ทุกเหมือนกันเรี่ยลอดลูกผู้ชายไม่รู้จักไม่รู้ว่าทุกอย่างไงนแต่ว่าเวลาเราภาวนาเนนะีกายนี้ทุกใจนี้ทุกมีแต่ทุกมีแต่ทุกลว้วนๆเลยไม่มีทางหนีไม่มีทางหนีเพราะมันไม่มีสุขเนี่ยถ้าปัญญาเราแก่กล้านะใจมันจะสลัดคืนสลัดคืนร่างกายก่อน ตอที่มันสลัดคืนร่างกายให้โลกเนี่ยเราได้คุณธรรมชั้นที่สมแล้วได้พานักคานี่บางคนง ง, งทำไมไปเริ่มที่อันนักคาก็พูดโสดาสกักคาคามาหลายปีแล้วนี่ยนะก็เคยอยบ้างสินะเพราะพวกเราก็ภาวนาดีขึ้นแล้วนะต่อไปโตดาสกัตคาคานี่นะเขาะความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราพวกเรารู้สึกไม่ร่างกายไม่ใช่เรา รู้สึกไม่ว่าจิตเนี่ยบางทีเป็นเราบางทีไม่เป็นเราเนี่ยมันเริ่มเห็นตรงนี้ล้นะต่อไปมันจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราจะได้โสดานะสักตาคาก็เห็นอย่างเดียวกันแหละเธอสติมันเร็วนะต่อไปมันจะเห็นทุกจะเห็นว่ากายนี้ทุกข์รวนแรงนะจิตจะไม่ยุดถือกายสลัดทิ้งเลยนะจิตจะเป็นอิสระจากกายต่อไปร่างกายแก่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เราแก่นะกายเป็นแก่เวลาเจ็บ ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายอย่าตอนนี้มีครูบาอาจารย์องค์เป็นมะเร็งหลวงพ่อคำเขียนใครเคยเจอไหมพ่อนาเก่งนะจิตใจนี่ร่าเริงเบิกบานเป็นมะเร็งอย่างเบิกบานเนี่ยเห็น โ, โอ้หอัศจรรย์จริงๆรงิพ่อนาดีเพราะอะไรก็ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันแก่ร่างกายมันจะตายเรื่องของร่างกายนะใจไม่หวั่นไหวเนีย่ยจิตเทยียบฝึกดีนะฝึกดีแล้ว หรอพวกเราก็ฝึกไปเรื hmm. <S <S mm ่อยวันหนึ่งเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกมันแก่แล้วก็ไม่หวั่นไหวมันเจ็บก็ไม่หวั่นไหวมันจะตายก็ไม่หวั่นไหวนะเบิกบานถ้าเริงเบิกบานถ้าพอนาไปเรื่อยนะเพรมันสลัดกายไปแล้วมันก็จะเข้ามาที่จิตดวงเดียวต่อไปนี่จะเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นของดีของวิเศษร่างกายเป็นของไม่ดีเลยร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวดีจะเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ยังไม่ถูกหรอกยังใช้ไม่ได้ยังไม่พ้นยังยึดจิตอยู่ ก็ต้องภาวนาไปอีกอาศัยที่ว่าได้เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ก็เฉลียวใจเฮ้ยมันทุกข์ยังไงใจมันจะเฉลียวของมันเองอาศัยว่าเราเคยได้ยินได้ฟังนี่แหละแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเฉลียวใจไปเห็นเองว่าจิตเป็นตัวทุกข์แต่ตัวนี้ยากนะยากอยู่เพราะว่าของเราแค่ให้เห็นว่ากายเป็นทุกข์นี่ยังยากเลยกลายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อย แต่ว่าพวกเราหลายคนนะมันก็เขยิบเขยิบใกล้เข้ามานะมันก็ค่อย ๆ, ๆเห็นนะรู้สึกไหมมีแต่ทุกข์ทุกข์ดูไปเรื่อยนะมีแต่ทุกข์ครั้งนั้นเราะว่าวันที่มันทิ้งตายไปนะมันจะมีความสุขความสุขที่มหาศาลกว่าที่เคยมีแต่เดิมนะทิ้งอารมณ์แล้วมีความสุขพวกเราภาวนาได้แล้วแหละเรื่องจิตที่วางอารมณ์ว่างแล้วก็ชั่วคราวพอวางปุ๊บเนมีความสุขรู้สึกไหม ตอนที่วางกายได้นะมีความสุขมากกว่าวางอารมณ์แล้วตอนที่มันวางจิตได้นะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ที่หลวงปู่เดินท่านสอนนะจิตแห็นจิตอย่างแหี่ยมแจ้งนะเป็นอรหันตมรักนะจิตแห็นจิตอย่างเหี่ยมแจ้งจิตนี้คือตัวทุกข์มันจะวางจิตพอวางจิตแล้วจิตมันจะแปลสภาพไปเป็นธาตุธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ตัวนี้ไม่เหมือนจิตที่พวกเราเคยมีอยู่ จิตที่พวกเรามีนะรุ่มๆดอนๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีขอบเขตมีที่ตั้งรู้สึกไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมานะเบี่ยนจรจัดจิตของเราจรจัดนะจรจัดหมายถึงอะไรจรตลอดเวลาจรไปทางตาจอนไปทางหูจอนไปทางใจไปคิดไปโน้นไปนี่จิตมันจรไปเรื่อยตรงที่มันเป็นธาตุรู้ขึ้นมานะมันไม่จรนนะมันไปเห็นมันก็สักว่าเห็น มันไม่ได้วิ่งไปเห็นหรอกนะมันไปคิดมันก็สักว่าคิดมันไม่ได้วิ่งไปคิดนะเพราะมันไม่มีขอบเขตจิตอย่างของพวกเรามันยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่มีอย่างทนทุกข์เยอะอยู่ค่อยฝึกนะนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อก็มาบอกต่อใครมีบุญวาสนาก็ทําเอาใครบุญวาสนาน้อยก็ค่อยๆทําไป อย่างน้อยก็มีบุญบ้างแหละไม่มีบุญยกงงไม่ได้ยินธรรมะหรอกคอยรู้ทันในเวลาใจไหลนะใจไหลไปเรารู้ใจไหลเรารู้รูไปเบื้องต้นเอาอย่างนี้พอใจมันรู้ขึ้นมานะก็เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานต่อไปก็จะเห็นว่ากายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราใจที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนี้นะต่อไปก็จะเห็นลึกซึ้งขึ้นกายนี้เป็นทุกข์ล้วน แต่ไปเห็นใจนี่เป็นทุกขล้วนๆนะตรงนี้หลวงปูด่ดุลท่านเรียกจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะท่านเรียกว่าจิตหนึ่งหรืออย่างที่ท่านไว้หลังเรียกจิตเดิมแท้นะสมเด็จพญาาสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตนะุท่านพูดถึงวิญญาณธาตุนะงั้นท่านไม่ธรรมดานะท่านไม่ธรรมดาภ า, าวนาเนี้ยสุดขีดดีเยี่ยมเลย หรืออย่างโลกธาตุมหาบววท่านเรียกว่าธรรมธาตุกันเดียวกันนี่โลภุตเทอวัตใจงานเดียวกันข้างนอกเนี่ยไม่มีรูปร่างเมื่อมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีขนาดแล้วมันไม่มีการวิ่งไปวิ่งมามันเต็ ม, มเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเนี่ยบอกโลภูตุลบอกภายนอกไม่มีรูปรักษ ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนะภายในเนี่ยเหมือนท่อนไม้และก้อนหินอะไรอย่าี้ไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะาเรารู้สึกไม้มจิตเราเคลื่อนไหวตลอดหมุนอยู่จี๋จีอยู่ข้างในใช่ไหมนี่แต่ ด, ดูไปเรื่อยวัตตะอยู่ที่นี่เองวัตตาหมุนติ้วติ้วติ้อยู่กลางหน้าอกนี่แหละวัตตาหมุนหมุนไปเดี๋ยวก็เบียงสุขขึ้นมาหมุนไปเวียงทุกข์ขึ้นมาเวียงดีเวียงโรภโกรธลงอะไรขึ้นมา ก็หมุนไปวนเวียนไปเป็นไหว้ไต่เกิดไปเรื่อยๆน่าสงสารนี่พวกเราก็มีทางที่จะพ้นจากเขาแล้วนะฝังธรรมมาแล้วไปทำเมาถือสิบห้าทุกวันต้องฝึกในรูปแบบสัก15นาที20นาทีฝึกฝึกในรูปแบบทำอะไรบ้างไม่พ้พระสวดมนต์สัก2องสนาทีไม่ต้องสวดยาวสวดพอละลึกถึงพระเจ้าบางคน มีเวลา15นาทีส่วนมวนสักยีนาทีแล้วอาวันนี้ยังสวดไม่จบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออะไรงี้ไม่ไหวอ่ะนะเสียเวลาเราสวดคล้ายๆไหว้ครูนักมวยไหว้ครูคิดดูซิชกยกหนึ่งหนาที3นาทีไหว้ครู20นาทีใครจะไปดูมัน mm. <laughs> มันก็ไม่ไหวนะนะแล้วก็ไหว้ครูนะพอเราลึกถึงพุทธเจ้าร ล, ลึกถึงพุทธธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์ท่านแต่เดิมท่านก็มีกิเลส ถ้าท่านก็อดทนท่านก็ฝ่าฟันมาเราจะขอตามท่านไปคิดอย่างนี้ใจมันจะได้เข้มแข็งนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติในรูปแบบทําในรูปแบบก็คือทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วคอยรู้ทันจิตไหมนะพุโทโธพุโทโธไปจิตนี้เรารู้หายใจไปจิตนี้เรารู้ดูท้องฟองยุบก็ได้จิตนี้ไปเรารู้เดินโจงกลมก็ได้จิตนี้เรารู้หนีไปได้สองแบบหนีไปคิดกันหนีไปเพ่ง ถจิตนี้ไปเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิที่ดีจิตจะอยู่กับตัวเองจิตตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วเราก็เดินปัญญาได้แล้วคราวนี้เราค่อยๆค่อยๆแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทุกคนยิ้มสียิ้มรู้สึกไหมตัวเองกําลังยิ้มอยู่เนี่ยที่ว่าใจเป็นคนดูคือรู้สึกเอานะไม่ต้องควักกระจกขึ้นมาแล้วก็ยิ้ม นะนี่จําเป็นนะเนี่ยหัวเลาะเห็นไหมใจเป็นคนดูเห็นไอ้ตัวนี้หัวเลาะสบายๆแค่รู้สึกคําว่าเห็นตัวนี้ก็คือแค่รู้สึกรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจรู้ไปได้เดี๋ยวปัญญามจะแก่รอบขึ้นพอปัญญาแก่รอบมันจะเป็นสเต็ปสเตปัญญาเป็นขั้นขั้นไปเบื้องต้นเห็นกายไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นจิตไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นกายเป็นตัวทุกต่อไปก็เห็นจิตเป็นตัวทุกเมื่อเป็นสเต็ปไปอย่างนั้น ก็วางเป็นลําดับนะวางได้มากเท่าไหร่ก็เข้าใกล้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นนะจะวางปล่อยวางจิตลงไปเราจะพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเราครับที่ไม่หนีไปไหนเลยจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันที่เคยได้ยินไหมจิตคือพุท ธ, ธะจิตกับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันได้ยังไงจิตอย่างพวกเราเนี่ยเหรอจะเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้านะมีปัญญาอย่างท่านไหม ไม่มีใช่ไหมมีความกรุณาเมตตาอย่างท่านไหมไม่มีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยมีได้นะถ้าเราภาวนาหนะ้วันหนึ่งจิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นที่บางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกนะจิตกับพุทธะเป็นอันเดียวกันถ้าพูดให้ถูกนะให้เต็มที่เลยก็คือจิตกับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันนะเสมอกันนะด้วยความบริสุทธิ์นะอยู่ในความบริสุทธิ์อันเดียวกันพระธรรมก็เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกัน พระอหันสาวกก็เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันอยรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะกับความบริสุทธิ์นะเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ยังยังยังต้องฝึกนะเพราะใจเราสะสมกิเลสมานานสะสมมานานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนไหนอายุ60สิเพื่อสะสมมา60อายุ50สาสิบกสะสม50าวงเล็บในชาตินี้ ชาติก่อนมีตาหากคนไหนขี้โมโหบ้างมีไหอขี้โมโหเนี่ยภูมิหลังไม่ค่อยดีนะภูมิหลังว่าจะพบภูมิที่ไม่ค่อยมีความสุขนคนไหนชอบทําบุญใช้บุญเป็นกุศลมาแต่เกิดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่เล็กๆมีไหมเนี่ยพวกนี้ก็ภูมิหลังดีหน่อยภูมิหลังสูงหน่อย คนไหนไม่อยากยุ่งกับคนอื่นเลยไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีอะไรนะอยากอยู่ของเราเงียบๆสงบอยู่คนเดียวสบายมีไหมไม่มีเลยเหรอที่จะมาจากฟลอมบโลกมีรู้สึกในโลกเนี่ยเหนื่งแน่นนะพวกขี้โมโหอะใจมันเคยชินอ่ะเคยมโมโหมีแต่ความทุกข์อยากกลับไป อ, อีกก็แล้วกันหลุดขึ้นมาได้แล้วนะอยากกลับ อ, อีกมีสติไหม คนทั่วๆไปนะเวลามันโกรธขึ้นมานะ่ะก็ทําไปตามความโกรธมันสะสมนิสัยขี้โกรธก็ยิ่งแรงขึ้นได้ไดยนะงั้นตายไปก็จะไปตามกําลังของโทสะไม่มีความสุขนะถ้าเราโกรธแล้วเรารู้โกรธแล้วเรารู้เนี่ยเราสะสมการรู้สึกตัวสะสมการเจริญสติเจริญปัญญาใจจะไปทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะไม่ต้องไปห้ามว่าอย่าโกรธนะห้ามไม่ได้ ไม่มีอะไรที่สั่งได้ใจโกรธก็โกรธไปโกรธแล้วเราเห็นตรงที่เราเห็นนะ่ะเราได้คะแนนละทุกคราวที่โกรธแล้วเรารู้นะ่ะเราได้คนะแนนสะสมไปเรื่อยๆนะพอคะแนนสะสมของเรามากพอก็ได้เลื่อนชั้นนะได้เลื่อนชั้นมันมีสี่ชั้นเท่านั้นแหลนะตอนนี้อยู่ที่ชั้น0ูนแล้วฟังแล้วมีกําลังใจไหม <c oughs> ศีลห้าดียังถ้ารู้นะก็รีบตบต่วนตัวไหนไม่ดีก็พัฒนาซะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหมหรือว่าหลงตือนเเปิดเปิงตลอดเวลาทุกวันเหมือนกันหมดหลงตลอดใครรู้สึกว่าจิตใจอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เหมือนสิีไหใครรู้สึกถือศีลได้ดีขึ้นมีไหมใครรู้สึกไหมว่ากายกับใจเป็นคู่รัโอ้นี่พวกนี้ขั้นเดินปัญญาละ ถ้าเดินปัญญาได้ก็มีโอกาสจะได้มักได้ผลแนะแต่อยู่ๆเดินปัญญาไม่ได้นะต้องมีศีลต้องมีสมาธิคือจิตใจที่อยู่กับตัวเองงั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงก็คิดคิดเอาคิดเอาไม่ได้ต้องเห็นเอามีปัสนาเพราะเห็นนะปัศนาว่าการเห็นเห็นด้วยอะไรด้วยยานทัศนะได้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยูกตาเรายิ้มหวานอีกทีเห็นตัวนี้ยิ้มไหม เห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเห็นไหมตัวเนี้ยมันถูกรู้อยู่นะเนี่คยค่อยๆรู้สึกไปสบายๆอย่าไปทําใจซึบนะ้บืนะบิ๊พยักหน้านะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะคลยกิ้งก่ามากกว่ามนุษย์เ น, นี่ยเห็นอะไรตัวอะไรหัวล้อเห็นไหมเห็นตัวอะไรหัวล้อไหมตัวอะไรพยักหน้านรู้สึกไปเรื่อยนะเ๋ยมันจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นเรา จะค่อยๆถอนออกเพราะจริงๆไม่เป็นเราอยู่แล้วไม่ใช่ว่าละละความเป็นตัวตนนะที่จริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่เราละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวตนละความเห็นผิดด้วยอะไรได้การเห็นถูกเห็นให้ถูกเห็นให้ถูกมันก็ละความเห็นผิดไปนั่นไม่ใช่ละความเป็นตัวตนตัวตนไม่มีให้ละหรอก อ, อย่างเราปฏิบัติอยู่นะเราไม่ได้ละกิเลสนะอย่างเราพอมีสติมีโกรธอยู่เนี่ยพอเรามีสติยังไม่ทันจะละเลยโกรธก็ดับไปแล้วเราไม่ได้ละกิเลสนะเวลาเราปฏิบัติเราละนุสัยละสันดานที่ขี้โมโหมันค่อยๆลดค่อยๆ ล, ละไปมันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันความโกรธขาดทุนกําลังที่จะโกรธเนี่ยจะลดลงลดลงในนี้มันโกรธแล้วเรารู้ไวนะ เห็นแล้วกำลังจะขยับด่าถ้าสมัยก่อนต้องด่าเลยใช่ไหมอันนี้ไหวแวบบเห็นเดี๋ยวนี้รู้ทันเร็วขึ้นนะพอไหวไหมไม่ยากหรอกนะเห็นไหมตัวอะไรยิ้มขนาดนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยใครสุขยกมือใครทุกข์ใครเฉยเฉยมีอุบเบกขาส่วนหนึ่ง มีทุกบางส่วนเพราะว่าเกือบชั่วโมงแล้วอยากเข้าห้องน้ำเ <c oughs> นี่ยสุขเราก็รู้ทุกก็รู้เฉยๆก็รู้นะโลบกรดหลงเราก็รู้นะรู้จักอยู่ทุกคนอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เอาก็แค่นั้นแหละแล้วก็จะเห็นเลยว่าตุกอย่างมันชั่วคราวนะต่อไปตุกอย่างก็ชั่วคราวไปหมดนะใจก็จะหมดแรงดิ้นนะสุขก็ชั่วคร้าวจะดิ้นไปหาความสุขหาอะไรไม่ดิ้นลนะ ความทุกข์ก็ชั่วคราวไม่มีแรงดิ้นหนีไม่ต้องเป็นดิ้นหนีเรากเดี๋ยวมันก็ไปนะใจมันจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจสบายนะใจทุกวันนี้ดิน้นเราๆลครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเทียบเหมือนหมาตกน้ําร้อนเหมือนไหมดิน้นใจทีท่านมันเป็นหิวใจเป็นหิวอารมณ์นะร้านไปทั้งวันไม่มีความสุขเรามาค่อยฝึกนะใจมันค่อยอิ่มค่อยเต็มมีคมมวามสุขนะ ยิ่งได้มากได้ผลนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นอเท็จเท่าพอสมควรนะน้ำมันสการหลวงพ่อฟังตีดีหลวงพ่อมาสองปีกว่าครับอืมแล้วก็ช่วงเดือนแรกที่ฟังหลวงพ่อแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งไม่น่าจะว่าผมเข้าใจถูกหรือผมเห็นถูกหรือเปล่านะครับก็ช่วงที่กลางจะนอนเนี่ยผมก้าวขาลงกลางจากถึงเตียงเนี่ยผมเห็นว่าตัวที่กลังจะนอนเนี่ยไม่ใช่ผมแต่ผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่เราแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่เราแล้วมันคืออะไรกันในเมื่อผมกําลังจะนอนอืมแล้วช่วงเวลานั้นผมกลัวมากเมื่อไหร่ปัญญามันเกิดมันไปเห็นจริงๆแล้วล่ะพอไปเห็นน่ะแต่ใจมันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีแล้วก็กลัวมากอาจะกลัวบางคนกลัวนะบางคนรู้สึกหวงหวงเหมือนเห็นผีอครับอืแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ไม่เห็นอีกและเพราะใจวิากถ้าอยากจะไม่เห็นครับนะในตอนนั้นเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจเวลาเราพอนานะ ถ้าอย่างตั้งใจอยู่ไม่เจอของจริงอ่ะจะทั้งอริยมรรยผลอะไรเนี่ยเกิดทีเผลอนะที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจเนี่ยอีกนิดหนึ่งอย่าบรรลุละไม่ได้บรรลุออกนะแล้วก็ถา้าอยากถ้าอยากเราไม่เห็นหน้าที่ก็คือรักษาศีลห้าทำในรูปแบบนะวันหนึ่ง15นาที20นาทีก็พอนะเวลาที่เหลือเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานกลับนะไปเห็นครั้งแรกๆอ่นะ ร่างกายไม่ใช่เราบางคนตกใจบางคนกลัวบางคนตกใจนะบางคนเซ็งบางคนรู้สึกหวงโหวงนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองเอตัวเราหายไปมันทนไม่ได้นะแต่พอภอนาไปเรื่อยนะจะเหน็นไม่ใช่เรานะแ้ามันไม่ใช่เราแล้วใครแก่ไอ้ตัวนี้แก่ไม่เกี่ยวกับเราไอ้ตัวนี้เจ็บไอ้ตัวนี้ตายไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่ทุกนะแล้วค่อยๆฝึกแล้วก็ผมทาสมาธินะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยคือแสงสว่างนิดห น, น่อย แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสักพักก็ผมก็ไม่ไปยุ่งกับแสงแล้วก็ไม่อยู่กับลมหายใจอืมสักพักลมหายใจมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนจนจ น, จนลมมันหายถ้าจะหายไปเลยอย่นิดเดียวอื ม, อมแล้วก็รู้สึกว่าผเหมือนตัวเองกลัวจะตายก็เลยออกมาก่อนเอ้ามันทํำไมถอยล่ะไม่ตายหรอก็หลังจากนั้นก็ก็ลองดูอีกก็เป็นอย่างนี้อีกก็ยังกลัวกลัวจะตายก็ถอนออกมาอีกอืมก็เลยรู้ว่าโอตัวเรานี่กลัวตายมากเออดีที่รู้นะ ถัางั้ก็ทําสมาธิอย่างนั้นแหละแล้วก็นะตอนหลังๆผมเลใช้สวนมน์แล้วก็ใช้ตอนที่จิตไหลไปแล้วรู้สึกตัววันหนึงจะได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบครั้งครับเ อ, อิได้อย่างนั้นยิ่งดีแต่ว่าถ้าทําชานได้ทําสมาธิได้ก็ทํานะครับเพราะว่าต่อไปได้เป็นเครื่องพักผ่อนเป็นที่พักผ่อนที่ดีอย่างเราอยากพักมันก็พักได้ทันทีเลยนะแล้วตอนนี้เจอลมคว้าตื่นเต้นมาก ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นแล้วก็ผมคือถ้าผมดูกายได้ก็ดูกายถ้าดูบางทีผมดูกายไม่ชอบให้รู้เรื่องผมว่ามันดูจิตได้ใช่ไหมครับควรจะกลับกันนะถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไม่ใช่ดูกายได้ดูกายนะดูกายไม่ได้ไปดูจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเอานายไว้ก่อนตีก็ตีหัวหน้าโจนมิตีลูกน้องมันเพราะฉั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับหลวงพ่อคือตอนนี้คือเวลาทาสมาธิเนี่ยคือมันมันไปเจอแสงแล้วมันก็จะวูบสว่างแล้วก็ไม่นานแล้วผมต้อกกลับอย่างเงี้ยครับสติมันไม่ทันติไม่ทันแต่ไปเวลาที่เจอแสงนะอย่างเป็นเรื่องที่แสงให้ย้อนมารู้ทันจิตเราก็จะเห็นว่าไอ้จิตมีปีติอะไรเงี้ยนะในจิตมีความสุขเนี่ยรู้เข้ามาที่จิตอย่าตามแสงไป ตรงที่เราไปรู้แสงนะมันเรียกว่ามีวิตกตรงที่ใจเคล้าอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์ตรงที่เรารู้ทันว่าใจไหลไปอยู่ที่แสงนะมันก็ตัดการไปดูแสงออกมันทวนเข้ามาหาจิตนะตัดวิตกวิจารณ์อยู่ก็จะเห็นจิตมันมีปีติมีความสุขนะแล้วเราก็ดูลงไปก็เห็นปีติเกิดแล้วก็ดับไปเห็นวความสุขเกิดแล้วก็ดับไปเหนุเบกขาเกิดแล้วก็ดับไปอุเบกขาดับแล้วเป็นไรก็เป็นความสุข หรือไม่ก็หลุดออกมาจากข้างในเลยก็ฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาทำสมาธิได้ให้ทำนะไม่ใช่ไม่ทำแล้วไปเดินปัญญาต่อเวลาเดินปัญญาอย่าไปดูที่แสงให้ย้อนมาที่จิตจิตยินดีรู้ทันจิตมีความสุขมีปีติรู้ทันน่าว่าม า, า, ก, าม ก, การนมรรการหลวงพ่อค่ะก็คิดว่า ต้องค <ide> ิดเพราะว่าไม่แน่ใจทิ่งที่ตัวเองปฏิบัติแล้วก็ทํามาแต่ว่าอยากจะถามหลวงเพราะว่าที่ทํามานี่ถูกหรือเปล่าะก็คือเห็นกิเลสไหมล่ะหลวงพ่อจะถามกลับอย่างนี้เลยแหละคถ้าเราเห็นกิเลนได้ก็ถูกคถ้าไม่เคยเห็นกิเลนเลยก็ไม่ถูกหรอกกิเลสอะไรเกิดบ่อยตัวไหนเกิดบ่อยโรคหลดหลงฟุ้งซ่านค่ะกับฟุ้งนอน ฟุ้งซ่านนี่เป็นหัวหน้าหัวโจกเลยล่ะฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วก็โลภฟุ้งซ่านแล้วก็โกรธได้ดังนใจฟุ้งซ่านเรารู้ไม่ห้ามนะใจฟุ้งซ่านเรารู้ถ้ารู้ไม่ทันมันโลภขึ้นมาก็รู้รู้ไม่ทันมันโกรธขึ้นมาก็รู้เราก็จะรู้เอ๊ะจิตมทํทำงานได้เองเห็นไหมมันทำงานได้เองมันฟุ้งได้เองดูไปเรื่อยจิตนี้ทำงานได้เองไม่ใช่เราหรอกดูอย่างนี้เรค่อ มาช่วงหลังๆนี่จะคล้ายๆคล้ายๆมึนๆซึมๆนะคะหลวงพ่อแล้วก็ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวไหนเป็นตัวดึงก็คือจะเอาจิตไปจับกับตัวไหนดี ะ, ะเจริญเมตตาไว้นะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลบ้างอะไรบ้างจเจริญเมตตาบ่อยๆนะะใจสว่างสวัยจะรักษาตัวได้ การนันศการหลวงพ่อการนันทการเจ้าค่ะขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านค่ะ เ, เห็นเห็นจิตทำงานได้เร็วขึ้นค่ะเห็นจิตทำงานได้เร็วขึ้นเ้าถูกแล้วนะแล้วเห็นไหมมันทำงานได้เองมันสุกเองทุกเองดีเองช่วยเองนะที่จริงจะว่ามันไม่มีเหตุก็ไม่ใช่มันมีเหตุมันกระทบอารมณ์ ตามมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจคิดความรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจะเห็นมันทำงานได้เองมันเปลี่ยนไปตามการกระทบอารมณ์นะไม่ใช่เราหรอกนะเฝ้าดูไปงี้นะถาใจมันสลดสังเวชขึ้นมาก็รู้ทันมันใจมีปีติขึ้นมาก็รู้ทันมันนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆไม่ยากอะไรใช้ได้ กับน้ำมัสั ง, งารหลวงพ่อครับส่งกันมาครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังเรื่องคล้ายๆกับการประคองผู้รู้ครับตอนนี้เท่าที่พยายามปฏิบัติก็พยายามไม่ประคองแต่ก็ไม่หมดูออกไหมเวลาประคองบางครั้งก็คือล า, า ง, งครั้งก็จะทื่อๆจะแน่นหลังหลังก็พยายามเพิ่มแรงของสมาธิด้วยการปฏิบัติในรูปแบบครับในช่วงของการปฏิบัติในรูปแบบก็จะเห็นว่ามัน ขึ้นมารับรู้ว่ารมแล้วก็บางครั้งมันอยากจะสงบของมันก็เป็นอยู่ช่วงระยะเวลานึงแล้วก็กลับมารู้ว่ารมอีกรอบหนึ่งนะครถ้าอย่างนั้นใช้ได้นะถ้ามันเข้าไปสงบแล้วไม่ยอมมารู้นี่มันใช้ไม่ได้มันก็จะเหมือนเข้าสงบอยู่แค่เรารู้สึกว่ามันสงบค่ะแล้วพอสักทีมันก็กลับขึ้นมารู้อ่กอย่างนั้นดีถ้ารู้ไปเรื่อยไม่ยอมสงบเลยก็ไม่ดีเหนื่อยสงบแล้วไม่ยอมออกมารู้เลยขี้เกียจดังนั้นสงบนิดหน่อยมีแรงแล้วออกมารู้ต่อ เดินปัญญาดีอย่างนี้ก็เหมือนมันทํางานของมันเองเป็นกิจวัตรเวลาถ้าเรานั่งอยู่ในรูปแบบไงครับในชีวิตประจําวันก็พยายามจะตามรู้ไปเรื่อยๆครับไม่ทราบแล้วเห็นกูเก่งยังก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันครับว่านะให้รู้ทันตอนนี้นะเดียมันจะค่อยเด่นขึ้นเพราะมันเก่งไงแล้วกันกูเก่งมีนอกจากตัวที่ดูว่าเราเก่งแล้วมันมีอย่างอื่นที่ต้องพิจารณาตัวไหนขึ้นมาเราก็รู้นะค่อยภาวนาไป ก้าวหน้าขึ้นแล้วล่ะเพราไม่ไปติดเพง่งถ้าเพ่งไม่ก้าวหน้านะกี่ปีมัก็อยู่อย่างนั้นแหละกับนรรมการหลวงพ่อค่ะก็ช่วงที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งจิตจิตโดนกระทบอารมณ์แล้วมันถึงจะเกิดอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูบางทีมันก็ไม่เห็นไม่มีอะไรมากระทบมันก็ก็เกิดอาการของมันเองเรามองเห็นเวลาใส่สัญญาไม่ต้องใช้ตาไปกระทบเลยนะ สาสัญญาทางใจนะั้นผุดขึ้นมาอมนะแล้วก็เกิดอาการสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมาอมค่ะเห็นมันเกิดขึ้นเองอของมันเพราะ<ๆ>ว่าอารมณ์ทางใจนะั้นมันเกิดเมื่อมีผัสสะนะนี่ผัสสะมันมีตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบของข้างนอกนะหรือว่าผัสสะภายในนะสัญญาณทํางานขึ้นมานะและอย่างนี้เราต้องเราไม่ต้องอะไระเราก็ดูมันไปนะ ค่ะเราก็เห็นจิตใจมันทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายช่วงช่วงนี้บางทีมันก็ปวดขึ้นมาค่ะอย่างเมื่อวานนี้มันก็ปวดแบบจี๊ดจี๊ดขึ้นมาหนูก็ดูดูมันแบบเออมันมันขึ้นมาเองของมันนะคะแล้วบางทีมันก็จะแน่นแต่มันก็ก็สักพักหนึ่งแล้วก็ดูเอามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นก็ได้นะค่อยแยกขันไปก็ใช้ได้ ค่ะแ ล, แล้วตอนนี้อารมณ์ที่หลวงพ่อบอกว่าเขาที่แล้วว่าพอเกิดอารมณ์เนี่ยหนูจะ ล, ลงไปตะคุบตอนนี้หนูก็มองที่มันลงไปที่ตะคุบอะค่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนก็พอเรารู้แล้วมันก็เลยก็ ย, ยั่งขึ้นมาใช่ตรงนี้ที่ว่าถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้นะม่จตั้งมัน่นใชเราไม่ได้เจตนาถ้าเราจงใจตั้งมันจะแข็งนี่มันไม่แข็งเพราะว่ามันไหลแล้วเรารู้มันไหลเข้าไปทำอะไรไปตะคุป จิตน่ะไหลไปตะครุบอารมณ์ทางนั้นแหละอารมณ์ภายในภายนอกก็ไล่ตะครุบไปได้แล้วตะครุบที่ไรนะมันก็ทุกข์ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกข์มันก็สั้นลงค่ะแล้วอย่างโกรธนะคะทุกทีถ้าถ้าโกรธเนี่ยมันก็จะเริ่มพอโกรธปุ๊บมันก็จะเริ่มคิดเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ป3ามจะเอาอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอตอนหลังปุ๊บหนูก็โอเคโกรธพอเริ่มตั้งมั่นได้ปุ๊บเนี่ย หรือก็ปล่อยไปมันก็มันก็หายไปอืมไม่เห็นจะต้องไปหนึ่งสองสามใช่เพราะว่าอะไรเกิดแล้ว น, นั้นก็ต้องดับแหละไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับหรอกค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้ น, นะคะ่ะแต่ว่ายินดีพอใจก็ต้องรู้ทันนะคภาวนาแล้วก้าวหน้าเราสบายใจเราชอบเราดีใจให้รู้ไม่งั้นถ้าไม่รู้นะเราจะพยายามรักษามาตรฐานนะแล้วทั้งทั้งที่พยายามปฏิบัติอย่างดีนี่แหละ มันหนึ่งเสื่อมยังไงก็ต้องเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงค่ะ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าต้องดีตลอดนะเราจะทุรนทุลายมากเลยแต่ถ้ามันเสื่อมก็เรื่องธรรมดาแป๊บเดียวก็ดีอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ก็พอมันแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้หนูําไม่เอาตัวกูขึ้นละโอเคค่ะอืมดีที่เห็นใช้ได้ข้าวหน้าขึ้นมากนะดี ครับก็รู้สึกเห็นเห็นกายบ่อยมากครับเห็นไหมว่าเราเพ่งน้อยกว่าแต่กอดครับที่ไปเวียนเทียนครั้งล่าสุดหลวงพ่อถักครับแล้วก็พอกลับมาลองฝึกเดินจงกรมรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะครับพยายามตั้งปณิธานทำทุกวันครับเวลาสิบห้านาทีครับเหมือนกับว่าจิตมันมีกำลังที่จะเห็นว่ามันไหลไปยากดีแล้วก็ ก็พอพอเห็นเห็นผลมันก็เลยเกิดฉันทะครับก็ทําทุกวันนั Yet, ่นแหละแต่แปรงก็เพิ่มนะเพิ่มเวลาได้เองเราไม่ได้กังวลอะไรไม่เครียดเอมันเห็นว่ากายมันอยู่ห่างๆครับอืเห็นเห็นบ่อยกว่าช่วงก่อนๆเยอะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ที่ถูกรู้เนี่ยเป็นคนอื่นเนี่ยตัวนี้มันไม่เป็นไรทั้งคิดทั้งอ่านหนังสือทั้งดูก็ยังไม่เข้าใจไม่ไม่ต้องรีบนะ แต่นี้แยกขันได้แล้วก็ดีแล้วแต่ไปก็แยกสุขทุกข์ก็อยู่ต่างหากรู้สึกไหมสุขทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้โลบโกรธลงนะก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ต้องจงใจไปดูตัวจิตนะไม่งั้นจะไปเพ่งตัวจิตมันจะเห็นว่าเมื่อกี้ครับมันมันมันไม่เห็นว่าเป็นคนลอันกานตเหตุเป็นว่าอันเมื่อกี้ถูกต้องเห็นอย่างนั้นแหละเมื่อกี้นี้ เทราะอะไรเพราะการดูนมามธรรมเนี่ยเราดูตามหลังดูจิตเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้ว่าเมื่อกี้โกรธถ้าขณะนี้กําลังโกรธเนี่ยดูไม่ได้เพราะจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้คลั้งอะไรอย่างเดียวเวลาโกรธเนี่ยมันไปรู้อารมณ์ที่ทําให้โกรธเช่นเห็นคนนี้เราเกลียดเนี่ยนะมีอารมณ์ก็ดูคนนี้อยู่ในขณะที่จิตไปดูคนนี้อยู่เนี่ยจิตจะมาดูตัวเองเนี่ยดูไม่ได้ มันต้องเมื่อกี้โกรธตอนนี้จิตดวงใหม่ไปรู้ว่าเมื่อกี้โกรธ ถ, ถูกแล้วดู ก, กายเนี่ยจะต่างกับดูจิตดู ก, กายลงเดี๋ยวนี้ได้กายเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้แต่จิตเนี่ยจิตเมื่อกี้ถ้าแบบชนบุรีนะเขาจะเรียกเมื่อกี้ถ้าได้ยินใครพูดเมื่อกี้นะรู้นะคนเมืองชนครับพาวนาใช้ได้แล้วล่ะนะหลวงพ่อพอใจดี นวัการมเจ้าคหลวงพ่อเนี่ยเราค่อยๆเรียนนะพอเราสังเกตเราเข้าใจขึ้นมานะชีวิตจิตใจดอกเปลี่ยนความรู้สึกในขี้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยไม่ต้องตั้งใจเลยมันเปลี่ยนเองอะ่ะก็อย่าไปรักษามันนะดีเราก็ไม่รักษานะแค่รู้ทันมันแล้วสติจะเป็นคนรักษาให้เราไม่ต้องรักษาถ้าเรารักษามันจะเพี้ยนไปเลยผิด กลายเป็นแข็งแข็งไปเนี่ยแข็งยังจะเรารักษาละให้จิตสติมันเป็นคนรักษารือสติเป็นตัวรู้ทันถ้าสติรู้ทันแล้วจิตมันดีเองเราไม่ต้องไปจงใจให้จิตดีอาว่ามาค่ะพ่อยมจะพยายามปฏิบัติทุกวันอยู่ตอนนี้นะค ะ, ะในรูปแบบอะคะ่ะก็โดยการเดินจงกรมแล้วก็สวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิาคะ่ะ แต่ว่าเวลาโยมเดินจมกลมแล้วโยมชอบไปเพ่งที่เท้าเนะแล้วก็พยายามจะแก้อยู่ให้รู้ทันว่าใจไ่เพ่งที่เท้านะค่ะแล้วก็ใจมันก็ทื่อๆเฉยๆไปใช่ใช่แล้วมันก็ตึงว่าใช่มันทำผิดนะค่ะกรรมฐานที่เคยทำมันเลิกซะค่ะกรรมฐานกําหนดเนี่ยเลิกซะค่ะกาหนดเพราะกฎ ราาการรมฐานรู้าการรมฐานเห็ น, นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเวลาเดินเน่ยจะเป็นจ้องที่เท้าเห็นได้ตัวนี้มันเดิน<ะ>เวลานั่งนะก็ะไม่ต้องไปกําหนดอะไรหรอกเห็นได้ตัวนี้มันนั่ง<ะ>เวลาเวลายมนั่งแล้วเวลาจิตโยมหลงคิดนะคะแล้วพอเวลามีสติอะค่ะจะจะรู้สึกว่าตรงนี้มันเพ่งตึงแบบเหมือนกับเหมือนกับโกรธที่มันใชมน่มันหลุด <laughs> ต้องให้หลุดออกมานะตอนนี้มันยังไม่ยอมหลุดออกมาเลยนึกออกไหมมันก็ไปค้างลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะอยู่อย่างนี้เนละอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะกลับมาดูร่างกายเลยทิ้งการดูจิตไป่ามาดูร่างกายค่ะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจกลับมาที่ลมหายใจลึกๆ ลมแรงแดงได้ลมแดงแดงค่ะรู้สึกใหม่รู้สึกใหม่รู้สึกมันหายเครียดเออต้องอย่างนั้นนะให้มันคลายออกได้ค่ะมีเด็กค้างอยู่กลางอากาศไหมคะค่ะก็คือเวลาถ้าเรามีอาการอย่างนั้นก็คือเราก็กลับมาหายใจค้างแล้วก็หายใจลึกๆหายใจแรงๆค่ะให้มันให้มันคลายค่ะแล้วเราก็ค่อยกลับมาภาวนาต่อใช่ใช่ทำผิดแล้วห้ามกรยัน ค่ะแล้วเวลาพักหลังๆโยมเวลาภาวนาไปแล้วมันสังเกตไหมตอนนี้ใจมันเคลื่อนไหวได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะค่ะใจที่ประคองไว้นิ่งๆไม่ดีเลยค่ะก็ให้มันเคลื่อนไหวได้ตอนคือตอนนี้เริ่มเริ่มมาฟังเคยไปฟังเพื่อนเคยชวนไปที่สวนสันติอันนี้นานมากเลยแล้วโยมไปฟังไม่รู้เรื่องธรรมดานะ ฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆเรารู้เรื่องเนี้ผิดปกติยอมรู้สึกว่าตัวเองทำไมอนุบาลมากเลยก็เลยไม่ไม่กล้าเข้าไปศึกษาเรื่องการดูจิตนะคะแต่ว่าครั้งแรกแทเลยครั้งหลังสุดไปที่กาลยานธรรมอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งรู้สึกมันอมันไม่เหมือนแต่ก่อนเราเข้าใจขึ้นอะค่ะตอนนี้ก็เลยฟังหลวงพ่อหน้าต้องฟังหลายๆที2อสามรอบอะไรเงี้ยถึงจะรู้เรื่องตอนนี้ก็ฟังซีดีอยู่ แต่ฟังไปเดินจงกรมไปนี่หลวงพ่อไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าค่ะทําอะไรก็ได้นะแต่รู้สึกตัวค่ะถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ใจเออไงเงี้ยเออไม่หายตั้งจะตั้งใจฟังมากค่ะถ้าเวลาเถินจงกรมด้วยฟังไปแล้วก็รู้ก่อนรู้สึกไปค่ะฟังแล้วขำรู้ว่าขำค่ะฟังแล้วงงรู้ว่างงค่ะฟังแล้วรู้ทันจิตไปเครรับียกว่าฟังเป็นค่ะแล้วที่อาการสะอื้นนะพระหลวงพ่อไม่ทราบว่าไมรนะ มันภาวนาแล้วมันชอบมีเอื้นอยู่ในใจอะค่ะเพิ่งจะเป็นพักหลังๆให้รู้ทันเอารู้เฉยๆใช่ไหมเค่ะเฉๆไม่ต้องไปแก้อ๋อเจ้าค่ะรู้อย่างที่มันเป็นจ้าค่ะไม่ได้มีบางคนจิตมันเกิดปีตินะเอื้นขึ้นมาในใจก็มีนะะ๋ะค่ะบางคนมันสลดสังเวชะอื้นอย่างนี้ก็มีนะมีหลายแบบหลายเซื่อนึกว่ามีสังเวชอะไรอยู่ในจิตใต้สํานึกอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวจะพยายามปฏิบัติต่อใช่ใช้ใจธรรมดาแล้วก็ดูไก่เป็นทํางานไปดูไก่ไว้ถ้าไปดูจิตเดี๋ยวจะเพ่งจิตมันติดเพ่งกลับนามสการหลวงพ่อค่ะอืช่วงนี้ก็ภาวนาเรื่อยๆช่วงที่เหมือนมันถึงฐานมันก็เห็นอยู่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าหลงเยอะเหมือนกันหลงเยอะไม่เป็นไรนะให้รู้บ่อยๆหน่อยก็แล้วกันอย่าให้หลงนานค่ะที่ภาวนาใช้ได้นะ พัอนาดรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเป็นช่วงๆอะคือบางช่วงมันมีกระทบแรงๆก็รู้สึกหดหูเศร้าหมองเหมือนกันธรรมดานะไม่ใช่พาหนักคาค่ะพอได้ค่ะพอนะอีกทําถูกแล้วละค่ะขอบคุณค่ะขันมันแยกได้ขันมันแยกออกไปแล้วก็ดูขันมันทํางานไปเรื่อย ต่ไหนดูไม่ไหวก็ทำความสงบไปพุทโงพูดโทอะไรก็ทำไปถ้าอยู่อย่างนั้นแหละอยู่วัดเนื้ อ, อเออดีหลวงพ่อเดี๋ยวหลังๆนั้นนิยมให้พวกเราภาวนาที่บ้านปลอดภัยดีนะยิ่งผู้หญิงก็ไม่คว ร, ร่อนเร่ไปอันตรายมากเลยอยู่บ้านเราเนี้ยภาวนาสงสัยขึ้นมาก็ เ, าเปิดซีดีหยิบซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีเพลงนะ <laughs> สงสัยแล้วฟังเพลงหกไปกันไกลเลยสงสัยก็หยิบซีดีมานะนึกถึงพระ เ, เจ้าไหว้สักทีหนึ่งแล้วก็สุ่มเปิดเอาเดี๋ยวก็เจอหลวงพ่อคะช่วงที่มันหดหูไม่มีกําลังเนี่ยบางทีก็ไม่อยากฟังซีดีไม่อยากเห็นหน้าหลวงพ่อด้วยหนู <laughs> <c oughs> คือว่ามันไม่สู้หน้าโนขอกราบขอคําว่าหลวงพ่อด้วยนะคะไม่ฟังซีดีไม่เป็นไรนะแต่มีสติไว หลวงพ่อก็ไม่ได้นำให้ฟังตลอดนะฟังพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วเนะี่ยหรือฟังเป็นเครื่องกระทบดีกว่าไปฟังอะไรที่เสียหายฟังแล้วก็คอยรู้ทันกายรู้ทันใจถึงจะใช้ได้หวังว่าจะมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้ววันหนึ่งปิ้งบรรลุไม่บรรลุหรอกต้องดูกายดูใจนะหลวงพ่อภาวนามาหลวงพ่อไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อประมุเลย <c oughs> อไม่เห็นจะต้องฟังเลย <c oughs> อาการนับปัสการค่ะคือมีความรู้สึกว่าเพ่งอะค่ะมังคับแล้วทําให้ลมหายใจสั้นเพ่งเล้วอึดอาดสิเนาะอึดอัดรู้แล้วนี่ก็อยา่าไปเพ่งมันสิทําไมเพง่งอยากดีรู้ไหมอยากดีเนี่ยถ้าใจมันอยากดีนะรู้ทันมันเข้าไปเลยอยากดีนะก็พาเราปรุงแต่งปรุงดีพวกปรุงดีเนะี่ยปรุงอะไร ปรุงอัตตะกิลมัฐานโยคยกเวลาอยากชั่วก็ปรุงชั่วนะปรุงเรื่องตามกิเลสออกไปเป็นกามสุขาลิการโโยกปรุงฝ่ายชั่วกลับนะ้มัสซานครั บ, รบหลวงพ่อครับผมได้กันบ้านจากหลวงพ่อเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับหลวงพ่อให้กันบ้านว่าไปทําจิตให้หายจากขี้เกียจนะครับเออแล้วหายยังก็พยายามอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังแบบ ยังมีความเคยเชิยนอยู่กับกิเลสครับผัว พ, พันอยู่กับกิเลสตอ่อทุกวันแต่พยายามรู้อยู่ครับพยายามรู้อยู่ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับผมสังเกตไหว่าตอนนี้กัตกรอนไม่เหมือนกันครับทำไมรู้พ่อรู้ว่าเดี๋ยวนี้กัตกรอนไม่เหมือนกันรู้ไหมเพราะมันไม่เที่ยง <laughs> S 1> <S 1> แล้ววันที่ 1- ถึงที่ห้ากันยาผมจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อครับผมอยากได้กันบ้างก่อนที่จะไปปฏิบัตินะครับอย่าหวังว่าจะดีนะครับก็แค่ว่าเราไม่ได้ภานาที่บ้านที่บ้านเรามีภาระเยอะครับไปอยู่วัดเพื่อไม่มีภาระอะไรมีเวลาดูเยอะขึ้นก็แค่นั้นเองครับผมนะอย่านึกว่าจะดีกลัวผีไหมไม่กลัวครับรกลัวตัวอะไรบ้างอะ่ะกลัวตุกก๊กแกครับโอ้ตุกก๊กแก น่ากลัวมากเลยวัดหลวงพ่อนะแต่ละกุฏิเนี่ยตุ๊กแกทั้งสี่ตัวห้าตัวเยอะมากเลยบางคนก็กลัวมากนะกลัวกลัวน้งสารสงสารตุ๊กแกตุ <laughs> ๊กแกมันอยู่มาก่อนนะคนมาอยู่ทีหลังแล้วไปไล่มันอ <c oughs> ่อกาพคุณหลวงพ่อไม่ตาะ <c oughs> นะครับพวกเรานะก็บรรดิ้ความเมตตาจากหลวงพ่อเรากราบหลวงพ่อพร้อมกนสาครั้งนะครับนะคะก็พวกเราก็ชื่นใจนะคะเพราะาหลวงพ่อสอนธรรมะง่ายดีแล้วก็อยู่ในบ้านก็ดีใจแล้วก็พวกเราก็ชื่นใจหลวงพ่อไปที่อื่นจะมีคนล้นจนล้นแล้วล้นอีกแต่หลวงพ่อก็เมตตามาที่น้ำทองถึงแม้จะมีคนไม่มากมายอะไร แต่คนนำทองก็ตั้งใจปฏิบัติกันแล้วอีเชนก็แก่มากแล้วแต่พยายามค่ะจะไม่ไม่ให้หลุดนะคะไม่ได้ชาตินี้ก็เอาชาติหน้าไม่ได้ชาติหน้าก็เอาชาติต่อไปเอาทุกชาติเลยค่ะหลวงพ่อต้องอย่างนี้สินะะสมเป็นทักปฏิบัติหน่อยก็ตั้งใจอาจจะยังไม่ดีมากแต่จะพยายามค่ะหลวงพ่อนะคะก็พวกเราก็ ร้องเพลงพระคุณที่สาให้หลวงพ่อหน่อยแล้วกันนะพอแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะเอาเล็กๆแล้วกันไม่ต้องเยอะพอหลวงพ่อคุณภาพครับแก้วไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะค่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่นจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทู ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมคูนี้ให้ร่มเย็นรู้มีบุญคุณจึงขอเธอทูลเอาไว้เนื้อก้าวท่านสัง่งสอนเราอบรมให้เราไม่เล่นท่านดูทิศไม่คิดถึงความยากเย็น สอนจนรู้เจ้งเฝ้าเย้นเฝ้าแนะมีได้อำภามกระดุญที่สามหมดนามแจมใสแต่ว่าใครโน้งไกลเปียกเปืคอยขว้ยว่าเป็นเหลือจากผ่าจากความจริงยิ่งคิดยิงเห็นว่า ใจกาบกานรละลึกคุณท่านกตัญญูโลกแอบพยมาแผ้ว่านคุณครูขออุสมพลบุญ ค, คำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนีรันต์องให้ครูเป็นสุขชั่วนีรันต์นอง มาซาทุนะที่นี่ยอดเยี่ยมมากจริงเลยที่อื่นนะเขาให้พระให้พร <c oughs> <c oughs> ที่นี่ให้พรพระ <c oughs> น่ารักมากเ <c oughs> นี่ยหลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อคิดถึงครูของหลวงพ่อนะคิดถึงครูบาจันทร์ว่าท่านบุญคุณท่วมหัวเราจริงยิ่งเราพอนานะโอ้โหแบบซาบซึ้งถึงอกถึงใจเลยครูบาจันทร์ สอนปว่ยขึ้นต้นไม้อ่ะอลังการนะคือหลวงพ่อเห็นนะคนที่นี่นะพานามีความเปลี่ยนแปลงปีนี้แหละเปลี่ยนเยอะ